ปาราชิกสิกขาบทที่8 205หถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติาราชิกสิกขาบทที่8แก่ภิกษุณีทั้งหลายณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารภพวกภิกษุณีฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพักขีทําวัตถุครบทั้ง8ประการในปา ร, ราชิกสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐาน เป็นธุระนิเขปะสมุดฐานละปาราชิกแปดสิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในปาราชิกกันพระมหาวีระทรงบัญญัติปาราชิกซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการขาดอย่างไม่ต้องสงสัยคือปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเสพเมทุนธรรม ปาราชิกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ปาราชิกสิกขาบทที่สว่าด้วยการพรากกายมนุษย์ปาราชิกสิกขาบทที่ส <m Ces Cute> ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมปาราชิกสิกขาบทที่หว่าด้วยการยินดี การจับต้องที่บริเวณเหนือเข่าขึ้นไปของชายปาราชิกสิกขาบทที่6ว่าด้วยการปกปิดโทษปาราชิกสิกขาบทที่7ว่าด้วยการประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงลงอุกเขปนียกรรมปาราชิกสิกขาบทที่8ว่าด้วยวัตถุ8 มีการยินดีการจับมือของชายเป็นต้นปาราชิกแปดสิกขาบทนี้เป็นมูลเหตุแห่งการตัดขาดอย่างไม่ต้องสงสัย